เราทำกันพวกเรามารงเรือลำเดียวกันเพื่อข้ามฝากจงไปถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำน้ำคือโอคหคือวัตตะสังสงสารวัตทั้งหลาย เอากายเป็นเรือเอาสติเป็นหางเสือดัดไปให้ถูกทิศถูกทางอย่าไปต ก, กวังวนให้ถึงฝั่งถึงฝาหมายความว่าอย่าหมกมุ่ดคุ้นคิดเรื่องเก่าคิดแล้วคิดอีก พอที่จะฉลาดพอที่จะทิ้งก็ทิ้งไปอย่าอาไยอาบณ์พะมาะไลเป็นพะมาะไยพะมาะไลในหมายถึงผู้ไม่มไในอาไยในอารมณ์ค <c oughs> ิดแล้วคิดอีกย่อมคิดเรื่องเก่าหรือว่าเป็นพะมาะไยไม่ได้พะมาะไลในไปทัวสวรรค์ไปทัวนรก ได้เปิดโลกนําเอาเรื่องของมนุษย์นรกมาพูดให้มนุษย์ฟังเอาเรื่องสวรรค์มาพูดให้มนุษย์ฟังพมาลายหมืน่นพม่าลายแสนผู้มีบริวารเป็นหมืน่นผู้บริวารเป็นแสนเขาทําอย่างไรเขาจึงมีบริวารทำไมที่เขาเป็นมนุษย์เขาเลยทําบุญรักษาศีล บำเพยนเพียนภาวนามีเมตตากรุณาไม่มีอคติจิตใจบริสุทธิ์เขาจึงเป็น ม, มีบริวานเป็นหมื่นเป็นแสนพวกเราก็การเจริญสตินี่หรือว่าเป็นการสร้างบารมีบาระหคือพร้อมพร้อมที่จะทำได้ แล้วทำให้ได้ด้วยเป็นมันหลงเอาให้มันรู้สึกตัวเลยรก็ตามเอาความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องเรียกว่าหางเสือแต่มันหลงไม่หาความรู้แสดงว่าเรือไม่มีหางเสือรล้ววังบนตอนมันุกตอมันโกรธตอมันวิตกกังวลไม่มีความรู้ เ, เรียกว่าเรือไม่มีหางเสือแล้ว ไปไว้ถึงฝั่งถึงฝาต้องติดถังเสือตลอดเวลาต้องใช้ตลอดเวลานี่คือว่า <c oughs> ลงเรือแล้วพวกเราก็เป็นนั่งเรือลำเดียวกันประครับประครองกันให้ได้อย่างไรที่เป็นประโยชน์เกื้อคูณสร้างขึ้นมา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 ทำงานเหมือนกันเสมอทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องให้เขาให้เราว่างดูแลกันไปอย่าทะเลาะวิวาสคนนั้นทำคนนี้ไม่ทำอย่าให้มีคำพูดแบบนี้มันมีคลื่นอ่ามันเป็นคลื่นถ้ามันเป็นคลื่นก็ย่องทะเลถลัยไปไม่สะดวก อย่าถ้าเราไม่ว่าจะพยิบาตอยา่ย า, า, ยามีาคติใดจต่อกันลดกันให้ตั้งไว้คิดสิ่งใดประกอบไปด้วยเมตตาพูดสิ่งใดประกอบไปด้วยเมตตาทํำสิ่งใดประกอบไปด้วยเมตตาตั้งต่อหน้าได้รับหลังของเพื่อนภิกษุจำเนนหรือความบริสุทธิ์ เรว่าหัวอกกันเดียวกันละพวกเราเลยมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติมาสร้างความรู้สึกตัวมาสร้างความรู้สึกตัวไปปีค่าขาแขงก็อก่อก่อช่วยกันมาถ้าใครยังอ่อนอยู่ก็พยายามให้โอกาสให้เขาได้ <c oughs> ปฏิบัติธรรมงานการงานต่างๆไปไม่ความพร้อมก็ทมไป บางครั้งอาจจะเรียกอ่านหวานข้าวไปช่วยกันบางโอกาสก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าเออวัดนี้ไม่ต่งานแต่ด้านไม่มีเวลาปฏิบัติทำเลยแล้วก็ทำโน่นแล้วก็ทํานี้ก็ไม่ถึงเป้า น, นั้นบางทีก็เราก็เพื่อคนอื่นนะะั่นละอะไรเผื่อเราดอกเพื่อคนอื่นถ้าไม่งานไม่ใช่เพื่อประโยชน์ ของส่วนตัวของส่วนบุคคลพอ้ผู้อื่นเพื่อเพื่อนเพื่อมิตรตัวที่ยังไม่มาขอให้มาส่วาวาดของพวกเราตัที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทุกสารทิศมาส่วาวาดของพวกเราให้มีน้ำใจอยาให้มันเหงาแท้นามใจให้มันชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่สเสมอ แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้าง ส, างสิ่งแวดลอ้อมไม่ใช่ตัวเองหลายมีโอกาสได้ประรสทำปนมีน้มใจนะอย่างสมัยั้งพทธเจ้าพระสงบางรูปประกาศให้หมู่สงศ์ทราบว่าใครจะย่อมผ้ารุณาบอกผมผมจะย่อมให้พระคุณเจ้าโูปไหนองค์ใดจะยอ่อมผ้า ผมจะย่อมให้กติกพระคนเจ้าหลังไหนมันรั่วรู้นะบอกผมผมจะไปซ่อมให้ดินปะกติมันชุดมันพังลงบอกผมผมจะไปซ่อมให้นี่นเขาไม่นั่งใจนะสำไยค้ามพระเจ้าเขาเรียกว่าภวรณาเรียกว่าหรือเรียกว่าขอเป็นอธิการเจ้าอธิการแห่งงาน ถ้ากติลัว่วต้องไปเรียกพระองค์นั้นเจ้าที่การคลังเจ้าที่การเสนาสนะเจ้าที่การอาหารอถ้าเรื่องอาหารต้องไปถามพระโลกนั่นถ้าเรื่องเสนาสนะต้องไปถามพระรูกนั่นถ้าเจ้าที่การคลังเกวอยนไม่เกวียนไม่พลาดสบองไม่พ่าดตะกุดเดียวมีอะไรไปขอกับองค์นั้นบางทีเขา เขาเรว่าอธิการคือเจ้าหน้าที่ในขิดการงานนั้นๆขอสมัครรับใช้หมู่สงฆ์ น, นั่นก็ถือว่าอุ่นใจเราถือว่าให้สร้างความอบอุ่นใจให้ใจกันละกันอย่าไปสร้างความวิตกกังวลหายใจฝืดใครที่มาส่วนวาดเราให้หายใจโล่งโล่งหายใจโล่งโล่ง พูดออกไปทําให้อาคันตุกะที่มาเขาหายใจโล่งเออมันเราไปวัดเขาอ่าเราขอเจ้าว่าหรือพระสงฆ์ในวัดพูดออกมาโอ้โล่งใจอมันหายใจโล่งอะไรๆก็บ่นเพิ่ําเพิ่มาเห็นโยมไปวัดก็โอ้ยโยมเว้ยวัดนี่ น, นีแต่นี่ นี่เอออยอะตรงนี้ใช่ไหมสองปีสปีไม่หมดหายใจไม่โล่งนะมันหายใจผนะืดแล้วโอ้ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วอ่นเราจึงทำให้เขาหายใจโลง่งๆหมเอเถอะมาถึงวัดเราแล้วศาลาหน้าไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ใส่กุญแจมาถึงเวลาใดให้เปิดประตูเข้าไป ไปหาที่หลับเที่นอนบนศาลาไม่ผ้าห่มไม่เสือ่อไม่หมอนไม่มุ้งตามไปผสมกับพระที่ศาลาก็เดินเข้าไปข้างในหลังไหนว่างขอถามพระพระท่านจะรูป ก, ก็ขอให้รูปศึกษาให้รูปน้ามดื่มตรงไหนห้ามแช่ยอยู่ตรงไห น, ห, นห้องน้ําห้องส้วมอยู่ตรงไหนเขตผู้หญิงอยู่ตรงไหนเขตพระอยู่ตรงไห น, ไหนก็ให้รูป ให้รัวไหวแล้วให้หายใจฝึกโดยพอวัดเราเนี่ยบางทีไม่ไม่ได้ติดประกาศนะแต่วัดใดที่เขาติดประกาศเราสะดวกพอไปถึงอาวาสเขาเห็นประกาศเขเียนไว้เวลานั่นทําอย่างนั้นเวลานี่ทําอย่างนี้ระเบียบปอย่างนั้นระเบียบอย่างนี้นั่นเราก็สบาย <c oughs> จะได้ปฏิบัติตัวไม่ต้องเก้อเขินบางทีเราไปดูวัดเขา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 เราให้โล่กพที่จะไม่ เ, เสจออื่นอันนี้แหละ <c oughs> แล้วพวกเราก็ช่วยกันไม่น่าใจเห็นหน้าอาการตุกกะจะหลบหน้าหลบตาไต่สวนทวนถามจะลบหน้าแขกเราเป็นเจ้าถิ่นพวกที่มาใหม่เรียกว่าอาการตุกกะ <c oughs> มาใหม่ยังไม่รู้อะไรเราแนะนําเป็นเม็ดเป็นเพื่อนเข่าเล็กๆน้อยๆไป ให้เกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติบางทีน้ําใจเนี่ยน้ำใจพอให้ปฏิบัติสะดวกนะเห็นหน้าเห็นตากันก็ปฏิบัติสะดวกก็อย่าไปสร้างความวุ่นวายอย่าไปท <c oughs> าให้ําลังแม้แต่ไอแม้แต่ทําอะไรที่มันเป็นเสียงก็พยายามบางทีเขากาลังถนอม กำลังถนอมอารมปฏิบัติกําลังอยู่ในความสงบต่อไปพูดเลยด้วยไม่ค่อยจํารวมก็ทําให้เพื่อนของเราตื่นตกใจแล้วก็สมาธิก็ก็หายไปอมาธิก็เป็นบาปเหมือนกันนะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมในตัดไว้ว่าภิกษุกําลังท่องปฏิโมกอยู่ภ <c oughs> ิกษุหนึ่งไปพูดให้เขาคลายความปุสาห์ก็ถือว่าเป็นบาป ไปพูดให้เขาคลายอุตสหาหไปสร้างความโอเคไปสร้างความอ่ากกลึกคึกโคมเขาก็คลายาลวุตสาหก็ถือว่าเป็นบาปเราลงังแม่และเราปฏิบัติทำเนี่ยอ่าเพื่อนเรากําลังเดินจงกรมอยู่เพื่อนเรากำลังทำสมาธิสร้างสติอยู่เราไม่รู้เลยรบางทีก็ไปเดินอวยวายแรงๆเลยทำไมเราไม่ระวัง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 ฝนตกก็เดินเอาไมต้องวิ่ให้มันเย็ยนเย็นทำาไรมันเย็ยนเย็นสร้างถึงเรศร้องแจ่ตัวเองมีโอกาสได้มาลดทาได้พวกเราก็ขอให้เป็นมิดใบตีผูกมิดใบตีการผูกมิดแม่รัดดึงโบราณทานว่าเหล็กเท่ารานเตึงใหม่มัน มนตาผูกนางเหมืองหายสูญโผูกด้วยไม่ตีนั่นแน่นเท่าวันตายให้ไม่ไม่ตีคิอ่าคิดอะไรอ่ามองกันในแง่ดีแต่ไปมองกันในแง่ได้เอาในส่วนเร็วบ้างช่างของเขาต้องเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างเนะหน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปลูกของเขาเลยแต่หาคนมีนดีโดยส่วนเดียว อย่ามื่อเที่ยวค้นหานะเสหายเอ้ยเหมือนเที่ยวหาหนดเต่าเปล่าตายเป่าเลยผมเคยเคยมองแต่ดีมีคุนจีอ น, นอาจารย์ปริธาศึกษาจำมาอ่านกาเรามองอะไรมันลื่นๆจะหน่อยแม่แต่ปฏิบัติธรรมอย่าให้มองอย่าให้มีกระทบกระเทือนเออกอกเอใจเอออย่างนี้ดีเอออย่างนี้ไม่ดีออันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบคนนี้ฉันชอบคนนี้ฉันยอก อ, อ, อย่าให้มีสภาพนัอะไะ มันลื่นลื่นชีวิตที่มันลื่นลื่นนะมันลื่นมันลูดได้รถดีดีมันมันลูดได้ถนนเขาเขาเขามันวิ่งลุดนะรถไม่ดีมันก็ไม่ได้สร้างชีวิตของเราให้มันดีมีมีคุณภาพให้มันลื่นได้อย่กระตุกกระตักนะพราที่จะวางก็วางเพราะที่จะเย็นก็เย็นพราะที่จะหยุดก็หยุดอ่า หัดไรหัดจุดหัดเจนหัดลอยหัดว่างแต่พอจิตเนี่ยเแปล ว, ว่าอะไรสามยอสียออ่ย่อยืดหยุ่นยิ้มแย้มยินยอมยืดหยุ่นยิ้มแย้มยิน ย, ม ย, มยมอมออะไรไม่ลูกจาไม่ไม่ได้ไม่ไ <c oughs> ม่มีคุณลักษณะชีวิตของเรา ทำต่อการปฏิบัติต่อการการไปการมาการทําอะไรหัดให้มีสติหัดให้มีการสํารวมจําเป็นบางการการสํารวมน่ะการศรัทธามีศรัทธามีสํารวมมีศีลมีความเพียรมันต้องหลายหลายอยา่างจะเอาดุนดุนหรอกมันก็ไม่ได้หากด้ามผ้าด้วยเขา่ากาเจริญสตินี่ศรัทธาจะให้เหงือแท้ ให้เงิแท้งให้มันชุ่มชื้นอยู่เสมออ่าความเพียรก็ อ, อยาให้ขาดแคนลนก็ทำดีก็ละความชั่วมันหลงตรงไหนมีความเพียรเอาความรู้ไปใส่มันทำอะไรมนะันเพียรเพียรประกอบอ่าปรเิเยนะทุกข์ขมเจติคนจะร่วมทุกข์ไปได้เพราะความเพียรอยาให้ขาดแคลนมีสติ มันเมลเข้าปลูกเข้าพันปลูกลงไปหวานลงไปปักลงไปในเนื้อนาอันกายอันกล้องสอบยาวหานาคืบอ่าหือคนยังเป็นๆอยู่นี่ในความเพียรมีสติปลูกลงไปมีสมาธิให้มันมั่นคงเอาใส่ความมั่นคงให้มันแน่แนๆก็หน่อยอย่าหวั่น ไ, วไหวง่ายๆช่วยช่วยสติสติก็ต้องเอาใส่สิ่งที่ปลูกที่ ที่ฝังให้แน่นด้วยโดยสมาธิความมั่นคงไม่หงอนแนนกอนแควนไม่วันไวอ่าไม่ลุกลี้ลุกลนหม่ผัวว่าไม่ผลผันผันแน่นให้แน่นแน่นก็หน่อยโดยสมาธิเราก็มีปัญญาป้างอ่ามีปัญญาเป็นเป็นอีกปิดท้ายมันผิดใช่เป็นเปลี่ยนเป็นถูกมันหลงเปลี่ยนเป็นรูป มันหลงทีใดก็เปลี่ยนเป็นรูปเท่านั้นมีปัญญาอย่าให้ความหลงเพื่อสร้างความหลงอย่าให้ความผิดเพื่อสร้างความผิดมีปัญญาเป็นในตัวโดยเพราะการเจริญสติแบบสติปัฏฐานเนี่ยมันไปเป็นพวงเลยนะมันไปจะเป็นพวงทั้งหมดเลยเนะี่ยทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งอินทรีย์ทั้งอศรัทธานะไปเลยกันหมดเลยไปพวงไปเลยเหมือนกัอ่า พลานท่างัวอีเขียวโผล่หลักเดียวหัวจุ่มกันไลยหลักเดียวท่านเลยมันจะอยู่กันเลยหัวอีเขียวโผล่หลักเดียวหัวจุ่มกันเลยอืา ม, มันไปเป็นพวงจับประเดียวได้มาทั้งหมดเลยเราจึงสะดวกมากการจเจริญสติเนี่ยสะดวกที่สุดมีอะไรที่มันจะอ่า แต่ไม่สะดวกเราก็ต้องต้องเห็นแน่นอนไม่ต้องไปหามันจะแสดงออกมาความหลงความคิดความมุ่งเอา้ห้อนอนจะแสดงออกมามันหลบไม่ได้พอเราตรวจสอบมันอยู่เหมือนกับรัฐบาลกำลัง ต, ตรวจสอบเพื่อเป็นผล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 ชีวิตการปฏิบัติธรรมกับมันกันมันอยู่ไม่ได้ดอกกิเลสจะทำทั้งหลายความหลงทั้งหลายความไม่เป็นธรรมทั้งหลายมันอยู่ไม่ได้ดอกราะมันตรวจสอบเก่งๆเหลือเกนะินหรความรู้สึกตัวน่อมันต้องสร้างขบวนการยุติธรรมให้แก่ชีวิตเราความรู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมเกิดความยุติธรรมถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัว หนึ่งวันสองวันสามวันพอมันหลงขึ้นมามันก็ต่างกันกับความรู้สึกตัวนะแต่มันไม่มีคําถามดอกถ้าคนสร้างสร้างสตินะพอมันหลงเขาจะไม่เอาก็าจะมาหาความรู้สึกตัวเลยไม่มีคําถามในแต่การกระทําลงไปพอมันหลงที่นอะไรเขาก็ขยันลูกเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่ที่เห็นลูก มีภัยโยงกับลูกลูกมันจะตกบ้านลูกก็จับมีดจับอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยไม่มีพ่อแม่คนใดที่จะวางให้ลูกเกิดอันตรายสติสรมชั ญ, ญ์เนี่ยเรียบเสมือนพ่อเรียบเสมือนแม่ไม่ปล่อยทิ้งนะช่วยกันทีเลยพอมาลงแบบความรู้สึ ก, กไปช่วยมันช่วยเก่งๆอ่ะ พอแม่เลี้ยงลูกคนหนึ่งกันว่าได้ปัิญาติลูกคนที่สองได้ปริญาโทลูกคนที่สามได้ปริยาเอกชํนานาญในการเลี้ยงลูกนะการที่มีสติที่เข้าไปเห็นอาการต่างๆของชีวิตเราเลยมันก็มีโอกาสชํานาญเหมือนกันไม่โอกาสชํานาญช า, า น, นาญไวด้วยนะมาไวสตินี่ไม่ชาเลยมาไวที่สุดเละ ไว้ก่อนแดันดื่นนะมันเป็นอย่างนั้นต่เรามะไรชื่อว่าสติสมัมปชญัญญะความรู้สึกความรู้ได้โม้มันไวมันเป็น <c oughs> มันเป็นทับที่ตัดไว้ดีจริงๆสติปัฏฐานด้วยกรรมฐานด้วยภาวนาด้วยโอ้ยชื่อไม่แต่ชื่อห น, อนาหลักหนาหลัก กรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทำโดยเจ้าภาวนาขายันรู้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความผิดเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เป็นภาวนามันชื่อโอ้ยอชื่ออะไรก็ไม่เพราะมันก็ชื่อกรรมฐานภาวนาเราจึงได้มรดกกันดีที่สุดเป็นสูตรของชีวิตเรา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 พอมาดูเข้าจริงๆแบบมันเห็นแล้วมันไม่ได้ประโยชน์มันว่าก่อนมันเห็นมันคนละเรื่องกันนะบัดเห็นความคิดตัวเห็นตัวหนึ่งตัวคิดตัวหนึ่งดูซิเนี่ยมันเยี่ยมเลยนั่นแะถ้าเห็นเรอะไรมันเกิดขึ้นตรงนั้นมันก็มีมีมุดโกรธขึ้นตรงนั้นแล้วมันง่ายแต่ถ้าเห็นเราง่ายมันเกิดไปมุดขึ้นมาได้เลย แต่ถ้าเป็นแล้วเกิดยากเราจะมาดูมาดูมาดูอะไรมาดูกายเคลื่อนไหวีำว่ากายยานุปัสนามาดูกายมาดูกายกายก็มีทุกคนไม่มีหญิงไม่มีชายคำว่ากายไม่มีลทัทธิในกายไม่มีเพศไม่มีวัยคำว่ากายเนี่ยมันยอดแล้วเลือกก็ได้หลือมันไม่เพราะเหมือนกับว่า ม, มีสติดูกายพระพุทธเจ้าของเราเนะ เป็นศาส์ดาเอกจริงๆนะตัดอะไรไว้เป็นหนึ่งเป็นสองไว้ได้หนึ่งอยากให้เป็นอันอื่นไม่ได้หนึ่งเดียวนั่นแหละัดไว้ดีจริงๆมีสติเห็นกายอ่มีสติเห็นเวทนามีสติเห็นความคิดมีสติเห็นธรรมอ่ะโมเนี่ถ้าเราผ่าด่านถ้าเราเห็นสิ่งโมเน่แล้วมัก็กักเราไม่ได้หรอกเป็นฟรีเวแล้ว ถ้าเป็นถนนถ้าเป็นทางก็อ่าอะไรไอเวหรือในกรุงเทพเลยไอเวย์ทางอะไรไอเวย์หมายถึงว่าอะไรทาง ด, วด่ว <c> น <oughs> มันไปแล้วเราจะเห็นเราไปได้แล้วไปได้แล้วอ่าไม่มีไฟแดงไม่มีไฟเขียวถ้าเห็นผ่นานผ่านได้ตลอดมันทางใน <c oughs> ประเทศสหรัฐประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีอะไรเขามีฟรีเวย์เขาวิ่ง ทั่วประเทศเขาฟรีเวยตลอดทั่วประเทศเลยเราเรามีไฮเวยอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่าประเทศสหรัฐในไฮฟรีเวย์ High, way, ทั่วประเทศวิ่งไปเท่าไหร่ก็วิ่งได้ไม่มีไปแดงไม่มีไปเขียวเขาจนทาที่พักรถเอาไว้เพราะมันมีฟรีเวย์ที่พักรถของเขาอนะมีห้องอนามัยมห้องอนามัยเลยนะ ในห้องน้ำห้องส้วมมีร้านอาหารในหมอด้วยพักรถตรงไหนมีหมอตรวจโรคตรวจสุขภาพร่างกายในห้องน้ำห้องส้วมมีร้านอาหารมีเพื่อนมีมิตที่นั่งที่นอนสบายที่จอดรถขอขอหาในสถานที่ที่เป็นวิวสวยๆมีบึง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 อะไรมาก็ผ่านได้เจ้วมันหลงที่ใดก็โลความหลงกลายเป็นความยิ้มเหมือนหลวงพ่อพูดวันก่อนถ้าเป็นความทุกข์ก็เป็นความยิ้มแต่ก่อนความทุกข์นี่หน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวบัดนี้พอเห็นมันทุกข์เนี่ยิ้มนะมันต่างเก่านะแต่ก่อนความทุกข์นี่หน้าเบี้ยวบัดนี้พอเห็นความทุกข์นี่ยยิ้มสดชื่นเออเงื่อนคนหมอตรวจเห็นเชื่อโรค โอ้พบแล้วพบแล้วพบแล้วพบแล้วพบแล้ ว, ลวยิ้มเลยคนหมอใช่ไหมคนหมอประสาทถ้าเห็นเชื้อโรคคนหมอจะยิ้มมีหวังหายถ้าเห็นเชื้อโรคคนหมอ จ, จัดยาให้อ่าอีกสามวันหายเนี่ยนะนะแล้นั้นถ้ามันเกิดขึ้นมามันทุกเลยมันยิ้ม น, นะไม่ใช่หน้าเบี้ยวมันเป็นอืมศิลปะถ้าเห็นสุขเนี่จะเฉยได้ ไม่ยิ้มก็ได้เห็นสุขนะเฉยไม่ถล่มตัวเห็นความสุขในเฉยแต่เห็นทุกใน ย, ยิ้มสดชื่นนะอะมันต่างเก่าร่วงพ้นภาวะเดิมตัวปฏิบัติเนี่ยร่งพ้นภาวะเก่าๆต่างเกา่าอะมันต่างจริงๆนะมันเห็นแต่ก่อนมันเป็นวันนี้มันเห็นนะ ตอมันเห็นแล้วมันก็อนโอ้ยหลุดพ้นแล้วอ่าไม่มีอันตรายฮะอ่า น, านไหมหมดเวลาแล้วนะอ่าก็สมควรเกับเวลาแล้วเนาะเอาเท่านี้ก็พอแล้ววันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ญาติธรรมมาพมร菩萨ก็ามาค้ามท่านคนนายก็ทั้งญาติธรรม ท, ท, ท, ทั้งหลาย เราก็มีเพื่อนเรามาใหม่ๆจากกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้วยานแล้วคุรทมปิดดกแล้วก็มาบวชใหม่ๆมาจากแก่งคอยสรลบอร์ลี<ๆ>เพื่อนของเราเราดีใจมากนะอะไรว่าเรอาอยังมีเพื่อนมิมิดมาเทือู้ที่ไม่มาขอให้มาพวกมาแล้วให้อยู่เป็นสกเป็นศก แล้วปฏิบัติทำแต่ยังไม่เข้าใจจิงไดมาถามผมได้แม่แต่ผมจะนอนอยู่ก็เอาฝามือตีฝาประตูป๊อปป๊อ๊๊เลยไม่ต้องเกรงใจคิด ว, ว่าชีวิตของผมเนี่ยจะจะมาในทางนี้แล้วไม่ต้องสงวนอะไรสงวนตัวอะไรดอกอเรียกเวลาไหนก็เรียกได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะ เรียกคนอื่นต้องดูให้ดีๆก่อนบางทีต้องตัปดูก่อนปฏิดูก่อนปฏิดูก่อนโต้อ ต, อตอบทักท้วงดูก่อนอย่าพึงอย่าพึงยอมมานงะเห็นความกลัวเนี่ยพอเกิดความกลัวเนี่ยหอบหมอนหอบเสือไปนอนกับคนอื่นไม่ใช่พอมันเกิดความกลัวขึ้นมาปฏิ ปฏิรูปโต้ตัวปฏิปให้โอกาสเราสักหน่อยปฏิรูปมันจะไปหรือมันจะอยู่มันจะไปมจะอยู่โดยดีๆให้มันเกินความกลัวไปความกลัวมันก็สุดไปนะมันไม่ยาวเท่าไหร่หรอกเราให้มันเกินความกลัวไปสักหน่อยความเหนื่อยเราทำความเพียรเวลามันเหนื่อยให้มันเกินความเหนื่อยไปสักหน่อยมันหิวให้มันเกินความหิวไปสักหน่อย มันร้อนให้มันเกินความร้อนไปสักหน่อยมันหนาวให้มันเกินความหนาวไปสักหน่อยอย่าให้ความหนาวความร้อนความเย็นความหนวยความกลัวอะไรมันเป็นใหญ่เกินไปให้มันเกินสักหน่อยให้มันเกินไปสักหนออผ่านมันไปสักหน่อยมันไม่มีค่าอะไรหรอกแต่ถ้ามันไปชนกันป๊อกกับแพ้ไปเลยมันไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติก็าโตตอบทักทวงเคียงคิดหลยกันน้องดย มันเจริงขนาดไหนอ่ามันเจีงขนาดไหนเช่นความกลัวไมันจะกลัวขนาดไหนมองดูจริงๆดูซิหายใจหลงๆพิกมือช่วยสักหน่อยสูตรลมหายใจสักหน่อยนะมันจะขนาดไหนความกลัวไม่ใช่แต่การเจ็บปวดกมมือนกันมันจะขนาดไหนนะถ้าเราทาใจพิกมือหายใจสูตรลมหายใจเข้าไปพิกมือรู้สึกตัวเนี่ย โอ้ราก็พ่ว่าศิละปะของการใช้ชีวิตของพวกเราการปฏิบัติทำเนี่ยเป็นยอดเลยชีวิตเราอย่าให้พลาดเถอนะชีวิตเราเกิดมาชาตินี้่ใช้โอกาสในหลวงพ่เพระพ่าปาสกโตเพื่อการเนี่โดยตรงไม่ต้องติดตกไม่ต้องจดหมาย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 ผมก็เคยเสียเวลากเรื่องนี้ไปพึ่งหลวงพ่อเทียนโอ้ยหลวงพ่อเทียนก็ไป ก, ก, ก, ก็หลอนก็หลอนก็หลอนเราก็เช็คโอ้วเราก็ไม่มีเงินที่จะนั่งรถไปเหมือนหลวงพ่อเทียนยจะต้องไปหาเงินอีกสักหมื่นหรือเปล่าเนาะเพื่อจะได้ไปกับหลวงพ่อเทียนคิดไปทำเราหนั่นก็ไหมืมนอนกัพอจริงๆแล้วโอ้ยมันไม่ต้องไปอยางนั้น เราอยู่นี่เราก็ปฏิบัติเนี่ยเราก็เทียนก็ทําอะไรเราไม่ได้มันหลงเราก็ปลุกเองมันผิดเราก็ทําเอางมีสติเสพเองตั้งหลักไหมตั้งหลักจึงเป็นจึงเป็นตัวเป็นตนจึงเป็นที่พึ่งได้ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนอัตเถรโนนาโถตนนั่นแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเราต้องคิดอย่างไง อย่าไปอาศัยคนอื่นเป็นเสนาวจิกาคอยเอาไปห้อยไปแขวนไ้กับใครตัวเราเล้าเราคนหนึ่งคิดอย่างนั้นอ่าภาในควพร้อมอ่าภายในเรก็กลับมาพร้อมกัน t o m a Tama.